ถือโอกาสฟังธรรมนะระหว่างที่รอพร ะ, ะตักอาหารมื้อนี้นะเป็นมื้อสําคัญนะของพวกเราพวกเราทุกคนล้วนแล้วแต่มีบรรพบุรุษมีพ่อมีแม่มีพ่อมีแม่ ม, ม, แ ม, มีปู่ย่าตายายวันนี้เป็นวันสําคัญของทุกคนนะที่มีบรรพบุรุษนะเป็นวันสําคัญทางประเพณีนะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ประเพณีพุทธศาสนานะ แต่ว่าก็เป็นประเพณีพื้นบ้านนะที่เรานับถือกันมาหลายร้อยปีนะทั่วประเทศทุกภาคนะเมื่อถึงวันเพ็ญเดือนสิบนะก็มีการทำบุญอุทิศหาให้กับบรมพบุรุษผู้ที่ลงลับนะผู้ที่ลงลับไปนั้นเนี่ยนะก็อยู่อีกพพภูมิหนึ่งภพภูมินั้นนะอาหารแตกต่างจากโลกมนุษย์ โลกมนุษย์อาหารก็คือข้าวคือปลาคือผักแต่ว่าในภพภูมิอื่นนั้นนะอาหารก็คือบุญกุศล น, นะบุญกุศลเท่านั้นที่จะหนุนส่งให้มีความสุขได้อยู่ในโลกมนุษย์นะมีเงินมีทองก็ถือว่ามีความสุขแต่ว่าในภพภูมิอื่นนั้นเนี่ยเงินทองนะมันม่มีความหมายมันต้องอาศัยบุญกุศลเท่านั้นแล้วบุญกุศลนี่ก็ต้องเกิดจากการ ประพฤติปฏิบัตินะในขณะที่มีชีวิตอยู่หรือไม่เช่นนั้นนะก็อาศัยความดีที่ลูกหลานได้ทำและอุทิศส่งไปให้นะวันนี้เราก็มาทำกิจนะของลูกหลานเพื่อที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลนะผู้ที่รวงรับซึ่งเป็นพับบันพับหุษของเรานะเพราะว่าจะส่งอย่างอื่นไปมันก็ส่งมาได้ ในเวลาที่พ่อแม่ยังมีชีวิตยอยู่นะเราก็อาจาจะให้เงินให้ทองให้ท่านได้เอาไปใช้หาซื้อของให้ท่านได้อาศัยนะซื้อโทรศัพท์ซื้อนาฬิกาซื้อตู้เย็นแต่ว่าเมื่อทาลวงรับดับไปแล้วนะซื้ออะไรไปก็ไม่ได้ทั้งนั้นนะมีแต่ต้องทำบุญซื้อบุญยังซื้อบม่ได้เลยนะถ้าซื้อถ้าจะอยากได้บุญก็ต้องเฮต้องทา ทำยังไงนะก็มาถวายสังฆทานถวายอาหารให้กับพระนะทานที่เราถวายนะั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นบุญนะแล้วบุญนั้นเมื่อเราตั้งจิตอุทิศให้กับผู้ที่งรงลับนะเขาก็ได้บุญนั้นก็จะได้ประสบความสุขความสวัสดีเรียกว่าสวยสุขในสัมปายพบนะแล้วก็ชาวบ้านเราก็เชื่อว่านะลูก บัณฑพาบรุษที่จากไปก็ยังสามารถปกปักรักษาเราให้มีความสุขความเจริญได้ให้พร้อมให้พ้นจากอันตรายทุกภัยใดๆทั้งปวงนะอันนี้ก็เรียกว่าเขาก็ยังอยู่ดูแลรักษาลูกหลานนะไปชั่วการนานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถึงวันเพ็ญเดือนสิบนี่ก็เราก็มาพร้อมใจกันนะ ก็อย่าให้มันเป็นแค่การทำบุญตามประเพณีเท่านั้นแต่ให้เป็นการทาบุญที่ทำด้วยจิตด้วยใจด้วยความระลึกถึงบุญคุณของผู้ร่วงรับของบรรพบุรุษนะแล้วก็อุทิศฐาให้จากขณะเดียวกันก็ให้คิดต่อไปด้วยว่าในขณะที่ท่านยังอยู่กับเรานะก็อย่าเพิ่งไปละเลยท่านหลายคนนี่ตอนที่บรรพบุรุษพ่อแม่อยู่กับเราเรา ไม่ได้ดูแลไม่ได้ใส่ใจนะไม่สนใจพอตายแล้วก็ถึงค่อยอุทิศหาทำบุญอุทิศหานะอันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธนะวิสัยของชาวพุทธนี่ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตยอยู่นะก็ดูแลรักษาเอาใจใส่ท่านนะทั้งกายและใจนะไม่ใช่ว่าไปหาของให้ซื้ออาหารให้ให้เงินให้แต่ว่า ไม่เคยทำให้ท่านมีความสุขใจทำตัวให้ท่านเป็นห่วงเช่นกินเหล้าเมายาเงี้ยติดยาเงี้ยพ่อแม่ก็เป็นห่วงสุกกายแต่ว่าทุกใจเหมือนกับตกนรกนะขณะเดียวกันก็ให้คิดต่อไปว่าเราเองสักวันหนึ่งนะก็ต้องไปอยู่ภพภูมิเดียวกันกับปัณฑบุรุษของเราถึงตอนนั้นก็ไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งพาได้นอกจากบุญกุศลนะ และถึงตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะบีบคั้นให้เป็นทุกข์ได้ก็คือบาปกรรมที่ได้ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตยอยู่นะถ้าอยากสุขสบายไปดีนะก็ต้องสร้างบุญสร้างกุศลตั้งแต่ตอนนี้จะไปหวังพึ่งลูกหลานว่าเออฉันตายไปแล้วนี่ช่วยทำบุญอุทิศหาให้ด้วยนะพอถึงวันบุญข้าวสางนี่ก็มาทาบุญให้นะอันนั้นนี่ ป, นประมาทนะบางทีลูกหลานอาจจะ ไม่สนใจแล้วก็ได้อาจติดเล่าไปแล้วก็ได้อายจติดคุกไปแล้วก็ได้หรือว่าอาจจะล้มหายตายจากไปเพราะว่าอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากอยากไปดีอยากเป็นสุขในพบหน้านะก็ต้องทําความดีตั้งแต่ตอนนี้สร้างบุญกุศลตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะบุญกุศลนี่ก็ไม่ใช่มีแต่การให้ทานนะการรักษาศีลนี่ก็ใช่นะให้ทานแต่ว่าเได้รักษาศีลนี่มันก็มันก็ผิดนะ คนที่ไปเป็นโจรไปขมโมยไปฆ่าเข้ามาขายยาบ้านะแล้วมาทำบุญนี่บุญมันได้น้อยนะสู้รักษาศีลมาได้คนที่รักษาศีลนี่ถึงแม้ว่าเงินถึงแม้จะยากจนไม่มีเงินแต่ว่าบุญที่ได้จากการรักษาศีลนี่มันมากกว่าทานเยอะนะต้องรู้จักทารักษาศีลเพื่อให้ศีลนั้นเนี่ยนะมันรักษากายวาจาใจของเราแล้วก็จะเกิดเป็นบุญนะ ควดีแค่ไหนนะบุญก็เกิดขึ้นที่ใจเกิดยังไงนะก็เกิดความสุขขึ้นอ่าผู้เจ้าตรัสว่าบุญเป็นชื่อของความสุขนะแล้วก็ความสุขที่ได้นี่มันไม่ได้เกิดขึ้นแต่เฉพาะเวลาทำนะผ่านไปหลายปีก็อาจจะได้รับอนิสงค์ของบุญนั่นได้เช่นเราเคยไปช่วยคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากช่วยคนตกน้ําช่วยคนที่ประสบภัยพิบัติหรือว่าช่วยคนที่อ่าประสบอุบัติเหตุ ผ่านไปสิบปียี่สิบปีนี่เขาอาจจะเราอา จ, จะได้กลายเป็นคนได้รับความช่วยเหลือลจากเขาก็ได้เพราะเขาลำลึกถึงบุญคุณของเราเขานึกถึงเห็นถึงเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากเขาก็มาช่วยอันนี้เราบุญที่ทําวันนี้นี่สามารถจะส่งผลไปถึงสิบปียี่สิบปีข้างหน้าก็ได้เวลาตกทุกข์ได้ยากก็ได้รับความช่วยเหลือลจากคนที่เราเคยจากคนที่เราเคยช่วยเขาไว้อย่างเมื่อ เมื่อไม่กี่ไม่กี่อาทิตย์มานี้นี่ก็มีข่าวนะฝรั่งสองคนนะที่เคยประสบภัยสึนามิสิบปีก่อนนะที่พังงาที่ภูเก็ตนะเกือบตายนะแม่ตายแต่พ่อแล้วก็ตัวลูกสองคนคือพี่กับน้องนี่ปลอดภัยตอนนั้นก็อายุสิบกว่าขวบนะผ่านไปสิบปีก็เป็นหนุ่มเป็นสาวนะเขาก็มาตามหานะคนไทยสองคนนะ ที่ช่วยเขาเอาไว้นะช่วยกระทั่งว่าขับรถไปไปส่งถึงกรุงเทพนะเพื่อนั่งเครื่องบินกลับเพราะว่าเครื่องบินที่ภูเก็ตนี่มันมันเต็มมันนน่นมันต้องมาขึ้นที่สุวรรณภูมิไอตอนที่อยู่ภูเก็ตนี่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากผัวเมียสองคนนะผ่านมาสิบปีนี่เขาก็ตามหาประกาศทางเฟ e b o o k ประกาศทางสื่อมวลชน่นะใ น, นที่สุดก็ได้พบกันก็ดีใจนะ เราก็ได้ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันวันนี้เราช่วยเขานะพรุ่งนี้เขาก็ช่วยเราอันนี้มันเป็นเรื่องของบุญกุศลเรื่องของกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นในบุญนี้มันก็ทําให้มีความสุขทั้งวันนี้แล้วก็วันหน้าแล้วก็ตอนจะตายด้วยนะตอนจะตายนึกถึงบุญจิตใจก็มีความปิติอิ่มเอิบพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุญย่อมทาให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิตมีคุณยายคนหนึ่งนะเป็นมะเร็งปวดท้องใกล้จะตายแล้ว ไอ้โหงมเาร็งก็บีบคั้ น, นปวดล้องโอดโอยยาก็เอาไม่อยู่นะมีพยาบาลคนหนึ่งมาเยี่ยมพยาบาลคนนี้ก็ก็ถามแทนที่จะถามว่าปวดมากไหมปวดกี่คะแนนปลวดเท่าไหร่นั้นเขาถามยายว่ายายชีวิตนี้ทำแล้วแล้วมีความสุขมากที่สุดยายก็ตอบว่าหล่อพระนะเมื่อสิบปีก่อนนี่เคยไปหล่อพระที่วัดหนึ่งมีความสุขมาก พยาบาลก็ถามต่อไปว่ า, าวันนั้นจําได้ไหมยายใส่เสื้อเสียอะไรนุ่งผ้าเสียอะไรยายจําได้หมดนะพยาบาลก็เลยชวนคุยนะเรื่องหล่อพระนั่นแหละคุยไปคุยมานะสิบนาทีผ่านไปนะโอ้ยายจู่ๆก็พูดมาว่าเออแปลกนะหมอยายเลขพยาบาลว่าหมอมันหายปวดไปเยอะเลยความปวดมันหายไปเลยโดยที่ไม่ได้ใช้ยาเพราะอะไรเพราะนึกถึงบุญที่ได้ทํานึกถึงวันที่ได้ไปหล่อพระ ใจิใจอิ่มเอิบปิตินะพอใจสบายนี่กายมันก็สบายไปด้วยแล้วคนที่ใกล้ตายนี่พอนึกถึงบุญนะมันก็ทําให้ไม่กระไม่กระสับกระสายไม่ทุรนทุรายตายสงบตายดีได้เนี่พระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าบุญย่อมทําให้เกิดสุขในเวลาเส้นชีวิตในเวลาเส้นชีวิตนี่ก็เป็นสุขได้นะตายเป็นสุขได้ไม่ต้องถึงขนาดหลวงพ่ อ, พอคําเขียร์หรอกนะอย่างเราทุกคนนี่ก็ทําได้นะเมื่อเรานึกเมื่อจะตายเราจะตายเราก็นึกถึงบุญกุศลที่ได้ทํา นะจะหลออพราาอะจะสร้างวัดหรือว่าทำความดีช่วยเหลือชีวิตใครก็ตามนึกถึงแล้วใจก็เป็นสุขพอใจเป็นสุขมันเกิดปราโมทย์เกิดปิตินะเกิดกุศลง่ายๆนะพูดง่ายๆก็ทำให้ไปดีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะทำความดีตั้งแต่วันนี้นะอย่าทำแต่บุญอุทิศให้กับปู่ย่าตายายอย่างเดียวทำบุญให้กับตัวเองไว้เป็นสเบียงด้วยนะเป็นสเบียงเลี้ยงตัวในภพหน้านะ พบหน้าถามเจ้าของว่ามีสเสบียงรอหรือยังนะถ้ายัางบอมีสเสบียงนี่ก็ต้องสร้างใชหาสเสบียงมาก็คือการทําความดีให้ทารักษาศีลภาวนานะีอันนี้แหละนะอย่ามัวแต่หาเงินหาทองอย่างเดียวนะอเงินทองนี่เอาไปพบหน้าไม่ได้แต่บุญกุศลนี่เอาไปได้แล้วก็อย่ามัวแต่สร้างทําชั่วทําบาปทํากรรมนะเพราะบาปกรรมมันตามไปได้ตามเหมือนล้อเกวียนตามวัวตามรอยเท้าวัว ไปไหนก็ตามไปนะบาปและบุญนี่มันตามไปถ้ากลัวบาปนะก็สร้างบุญเอาไว้นะอ่าแล้วก็ข อ, อนุมโมทนาอ่าพอแม่ออกญาติโยมทุกคนนะที่ได้มาร่วมกันทําบุญนะในวันนี้เพื่ออุทิศหายกับผู้ที่ล่วงลับมีบรรพบุรุษปูญญ่ย่าตา ย, ยายแล้วก็ถอยหลังขึ้นไปนับประมาณไม่ได้ก็ขอให้อั น, นิี่สองแห่งบุญนั้นอํานวยอวยผลให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขาภะละขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนะปลอดภัยไกลทุกข์นะ ประสบกับความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปมีกำลังความเพียรในการให้ทานรักษาศีลบาเพ็ญภาวนาจนเห็นแจ้งในสัจธรรมเข้าถึงความสุขนะอันกเกษมสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้ดยการทุกคนเ ท, นทอญจารุยะถาวริวหาปุราปริปูเรนติสา